เป็นวันทำบุญเจริญอายุวัฒนะมงคล61ปีพระครูวัชระธรร ม, มาจารย์หลวงพ่อจิรวัติอัตระโคณวัดป่าชัยชุมพลตำบลจะดะพงอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์พวกเราท่านทั้งหลายคณะัทธายญาติโยมทั้งหลายได้มารวมกัน แสดงออกซึ่งมุทิตาสักการะเคารพในหลวงพ่อจิรวัตรของพวกเราเพราะท่านมีบุญคุณกับพวกเราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อนีเป็นต้ น, นท่านก็ไปมาหาสู่รักเหมือนกับพี่พีน้องๆ้องไปมาหาสู่ถึงหลวงพ่อจะอยู่ไกลอายุมากแล้วปีที่แล้วหลวงพ่อก็พูดครั้งหนึ่ง กับคณะสัตธาธิษฐโยมว่าเออปีต่อไปผมอาจจะไม่ได้มาเนอคณะสัตยาธิษฐานโยมหลวงพ่อเนอะเพราะว่าสุขภาพหลวงพ่ออินเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้อายุ ป, ป่าเข้าไปจะเข้าเจดสิบแล้วนะคณะสัตยาธิษฐาโยมลูกหลานเดือนเมษาเนก็เจ็ดสิบเต็ม เ, ออเดี๋ยวนี้หกสิบเก้ามากแล้วอายุของหลวงพ่อเพราะฉะนั้นจะไปที่ไหนก็ต้องได้คิดได้ดูสุขภาพของตนเองซะก่อน ถ้าหาว่าไปแล้วยังมางานวันนี้และพอมาถึงแล้วก่อนเป็นลมขึ้นมาไม่สบายขึ้นมาเป็นไขขึ้นมาพวกลูกหลานก็คงจะตำหนิได้ว่าโอ้ยหลวงพ่ออินเอ้ยทำไมไม่รู้จักสุขภาพตัวเองขนาดนี้ยังมาอยู่เนาะอันนี้ก็ลูกหลานทั้งหลายก็คงจะตำหนิได้เพอนั้นหลวงพ่อเองก็ยังคิดเหมือนกันต่อไปภายภาคหน้าปีหน้า ก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันจะได้มาร่วมลูกหลานอีกหรือเปล่าเพราะนั้นปีนี้หลวงพ่อมาแล้วก็อยากจะพูดแนวความคิดให้กับลูกคณะัทยาญาติโยมลูกหลานน้องนุ่งทั้งหลายาที่เป็นครูบาอาจารย์ฝ่ายพระสงฆ์ให้ได้ยินทั่วถึงกัน เ, เพราะว่าทาคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือทาคําสอนของพระพุทธศาสนา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 จากนั้นขอพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งก็เดินทางไปกรุงราชคฤห์พระเจ้าอศาซศาชัตรูเป็นลูกพระเจ้าพิมพิสารก็พออกพอใจท่านจะได้ล้างบาปของท่านอีกเหมือนกันจากนั้นพระอา น, นุ์ก็เด้นนำบริขารอัทบริขารของพระพุทธเจ้าเดินไปเดินมุ่งมั่นมุ่งทางไปสู่กรุงสาวัตถีวัดป่าเชตะวันมหาวิหารพอเดินผ่านที่ไหน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 เพราะว่านานาจิตต่างนานาทัศนะแต่ทำความรู้ของท่านนั้นเอกชนที่ท่านได้บรรลุธรรมจุดนั้นเอกฉันหนึ่งไม่มีสองแต่แนวความคิดออกไปข้างนอกนั้นไม่เอกันทวันนั้นพระอา น, นุ์ก็ได้เข้าร่วมประชุมวันพอครบสามเดือนพระอ น, นุนได้สําเร็จเป็นพระทหารแล้วพระสงฆ์ทั้งหมดห้าร้อยรูปเข้าพร้อมกัน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 ให้พระสงฆ์ทั้งหลายเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วให้ลงพมมาทันกับฉันนะเนี่ยขนาดพระพุทธเจ้ายังทรงปชนอยู่ยังปราบคนหัวเรือไม่ลงนะเอ่ยัยงปอบทั้งที่พระองค์ผ่านไปเสก่อนยังให้คณะสงฆ์ปราบขนาดนั้นผู้ดรือไม่ใช่ธรรมดาคือนายฉันนะเนี่เมื่อพระพุทธเจ้าออกบวชเฉด็จออกบวนชนายฉันนะเป็นผู้ติดตามขี่ม้าขันตกะสามชีวิต นั่งมาไปในชันน้านี่นั่งท้ายนั่งหลังสอนพระพุทธองค์สอนศิทถนะเายพอไปบวชเสร็จแล้วพุทธายาได้ตัดสุโเป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นได้ประกาศธรรมสอนภิกษุแล้วก็ตั้งอัครสาวกโมกพระสารีบุตรโมก ค, คลา อ, อานน์กัสปะล้วนแล้วจะเป็นอัครสาวกแต่ละองค์แต่ชนะพอบวชเข้ามาแล้วกันเนะี่ยเอ้ย พ อ, พอพระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้า อ, อพวกท่านทั้งหลายกับพลอยได้ดิบได้ดีไปด้วยแล้วใครเป็นุคนนำพาไปบวชผมเนี่ยพาพระพุทธเจ้า ไ, ธธาไปบวชศิฏฐาไปบวชจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่พอบวชเข้ามาแล้วพวกท่านใดอันนั้นใดตำแหน่งนี้ใดตำแห น, น่งนั้น อ, อพระพุทธองค์เรียกจันนะเข้ามาจันนะเธอจะไปพูดอย่างนั้นอันนี้คือพี่ชายของพวกเธอนะ ท่านได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลแล้วนะเธออย่าไปพูดอย่างนั้นก็เงียบก็ไม่ว่าอะไรแต่พอหยุดพวกพระองค์ออกหลังรับรับหลังท่านนั้นโคตรไดย้ยางเก่าพระองค์พระพุทธองค์ก็ไม่รู้จะทํำยังไงกับชนะันน่ะเห็นไหมคนดือ้อจากนั้นก็พระอ น, นุลก็บอกว่าให้ลงพมรัทานกับชนะันน่ะลงพมนนะงรัฐทานทำยังไงพระเจ้าข่านพระอ น, นุลถามในเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วให้เรียกประชุมชง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 เท่านั้นแหละพระช น, นะได้ยินสงลงพรมทันรงายหลังผึ่งเลยนี่แหละอันนี้ก็คือที่พระชั น, นะนี่ที่พระพุทธองค์ให้ลงพรมัทันรมจากนั้นท่านก็กลับใจทันชนะก็กลับใจผมจะไม่พูดไม่ทําอีกอย่างนั้นจากนั้นท่านก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์นะขนาดขนาดนั้นที่ท่านมรคนิพพานนิสัยมรคนิพพานอุปนิสัยมรคนิพพานมีอยู่แต่กิเลส ตัวแป้งๆตัวไม่อิจฉาพยาบาทตัวรลบโกดหลงน่มาเบียดบงังทำให้ท่านเสียศูญย์ไปเหมือนกัน น, ะนี่แหละกิเลสมันไม่ใช่ธรรมดาแต่ท่านชาระกิเลสและท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่พระช น, นะนี่แหละจากนั้นก็มีการประชุมอย่างอื่นมีอีกไหมพระมหากัสปะที่เป็นประธานสงถามมีครับ พระองค์พระพุทธองค์บอกว่าถ้าเราตถาคตผ่านไปแล้วศิกขาบทวินัยที่เป็นของเล็กๆน้อยๆที่หยุมหยิมพวกท่านทั้งหลายจะประชุมให้ถอนก็ถอนได้นะจะถอนก็ถอนได้ศิกขาบทเล็กน้อยที่เราบัญญัติไว้ที่มากมายคือสินส2งีคือสินพระปฏิโมกสินมาในพระปฏิโมกศสินอภิสมาจาร์นั่นะที่มากศินอะไรก็ตาม ถ้าพวกท่านเห็นสมควรจะถอนสิคคาบทไหนก็ถอนได้นะถ้ามหากรปะก็ถามว่าท่านอานนท่านได้ถามพระพุทธเจ้าไหมได้ทูลถามพระพุทธเจ้าไหมว่าอาบัติเล็กน้อยนั้นน่ะที่จะให้ถอนที่ว่ายุมหยิมนั้นคือสิคคาบทกลุ่มไหนฟินรในกลุ่มไหนไม่ได้ถามกระผมเพราะว่ากระผมรู้สึกว่าสรดหดหูจิตใจล้ำลึกถึงคิดถึงพระพุทธเจ้าอย่างมากอย่างคิดอะไรไม่ออกในช่วงนั้น เพราะความรักเคารพในพระพุทธองค์พระมาหากัสปวโออาโนนท่านบกพร่องและจุดนี้พระอานน์ก็ยอมรับว่าข้ากับข้าพระองค์กับผมบกพร่องจริงๆครับยอมรับเอาเถอะทีนี้เอาประกาศในท่ามกลางสงที่ว่าพวกเราว่าจะไงที่พระพุทธองค์บอกว่าให้ถอนชิคข้าบทเล็กน้อยนั้นเราควรจะถอนกลุ่มไหนหพระสงฆ์ก็ออกมาเป็นกลุ่มเลย กลุ่มหนึ่งก็บอกว่าน่าจะถอนอภิสมาจารย์ทั้งหมดพวกกลุ่มก็น่าจะถอนสิกบดเสกียวัฒอาบัตทุกกดน่าจะออกทั้งหมดสรุปแล้วก็คือพระทั้งห้าร้อยองค์เตเป็นพระอาราหันต์คือท่านไม่ได้เป็นกษัตริย์อย่างเดียวพระอาราหันต์ทั้งหมดเป็นชาวไร่ชาวนาก็มีธรรมมาค้าขายก็มีเป็นคน มีมากหลากหลายอาชีพเพราะฉะนั้นคนที่มากหลากหลายอาชีพเนี่ยนะแสดงความคิดเห็นมันก็ต้องแตกต่างกันคนนึงก็ให้สําคัญคันกันหนึ่งอันหนึ่งตรงนึงก็ให้สําคัญอันหนึ่งต่างคนก็ต่างให้สำคัญสำคัญต่างที่ตัวเองเห็นว่าเหมาะสมพรที่สุดไม่หลงลอยกันนี่นี่แหละพระหันนะผู้แตกฉานในอัตในธรรมนะทั้งที่จะเป็นพูดคําเดียวกันเป็นยังไงเป็นอย่างนั้น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 ไม่ถอดไม่ถอนพราะถอนจะรุ่มๆุ่มดอนดอนจ ะ, จะไม่ถูกต้องเพราะนั้นท่านจึงเอาไว้ทั้งหมดในหลักธรรมคําสอนในหลักพระวินยัยนี่แหละสรุปแล้วก็คือพระหรหันยังมีความคิดเห็นแตกแต่ตางกันเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายถ้าว่าครูบาอาจารย์มีความคิดเห็นแตกแต่ตางกันแต่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยอยู่ ท่านไม่ได้ทําผิดหลักพระธรรมวินัยถ้าผิดทำวินัยเออไม่ว่ากันจัดการเลยพวกเราไม่จัดการใครจะเป็นคนจัดการพุทธบริษัทสถ้าเห็นองค์ไหนเป็นอาบัติหนักสังฆาปาละชิกทําไม่ถูกต้องพวกเราก็ต้องช่วยกันกระจัดออกจากวงการอันนั้นคือความถูกต้องแต่ว่านานาจิตตังแนวความคิดเห็นน่ยแนวความคิดเห็นไม่ตรงกันบางสิ่งบางอย่างคนหนึ่งเห็นอย่างหนึ่งคนหนึ่งเห็นอย่างหนึ่ง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 อันนั้นมันก็สุดพิสัยอีกเหมือนกันวันนั้นเรื่องทำคำสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นคณะสัายาติโยมพุทธบริษัทศรีเนี่ยถ้าดังไม่รู้หลักพระธรรมวินัยเราจะไปพูดก้าวกก่ดูถูกเกลียดหยามครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งหลวงพ่อว่าต้องคิดดูให้ดีนะข้าวขายอนันตริยกรรมห้ามาตุคาดฆาบิดามาตุคาดฆามารดา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 ไม่ใช่วันหลวมปากเราจะพูดไปได้ง่ายๆเป็นผิดพระธรรมอินัย์ไหมถ้าผิดพระธรรมินทร์ไม่ว่ากันจัดการเลยแต่ถ้าหากว่าเราคิดสนุกขึ้นมาแล้วจะพูดออกไปจะด่าใครจะด่าองค์ไหนลงเฟซบุ๊ด่าไปเลยโดยไม่รับผิดชอบในคำพูดในคำด่าของตัวเองระวังระวังปากจะเป็นมะเหล็งปากเป็นบาป เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัทยา ธ, าธาญญาิษฐาโยมลูกหลานอันนี้หลวงพ่อเตือนเตือนให้ฟังอย่างอย่างชัดเจนเพราะหลวงพ่อเนี่ยพูดตามความเป็นจริงถ้าเราจะเปรียบเทียบกับนิทานและชาดกขึ้นมาก็ได้สมัยหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีมีพระองค์หนึ่งเดินไปที่ไหนผู้หญิงเดินตามพระองค์นั้น่ะผู้หญิงเดินตามทีนี้คนทั้งหลายเห็นพระสงฆ์ทั้งหลายเห็น เอออ้าวทาไมผู้หญิงเดินตามคนคนนี้พระองค์นี้ไปบินทาบาทก็เดินตามขึ้นอยู่กุติตามลำพางก็เดินก็อยู่ในกุติของตัวเองพระสงฆ์ก็ไปฟ้องอาณาถาบิตริกาเศรษฐีท่านอาณาถาท่านควรจะไล่พระองค์นี้ออกจากวัดทันนะไปที่ไหนผู้หญิงขุกสาวเดินตามตลอดนะทำไมเป็นอย่างนี้วะอาณาถาบิติกาถามว่าพราะพรทไเจ้ายัางประทับอยู่ที่ กุงสาวัถีอยู่ใช่ไหมเออใช่เอออยู่ที่วัดป่าเชตะวันอยู่ใช่ไหมใช่โอ้ยเป็นหน้าที่ของพระพุทธองค์พระองค์รู้หมดไม่ใช่หน้าที่ของโยมฮะเห็นไหมท่านผู้ฉลาดท่านเป็นพระโสดาบันนั่นเองไปบอกนางวิสาขาอีกนางวิสาขาเป็นผู้ดูแลอุปถัมภ์ากพระสงค์พระพุทองค์ประทับอยู่ที่วัดป่าเชตตะวันใช่ไหมใช่เออเป็นหน้าที่ของพระพุทธองค์พระองค์พระพุทธองค์ต้องรู้อะไรเป็นอะไร ไม่ใช่หน้าที่ของฉันอขอมอบให้พวกท่านทั้งหลายกราบทูลพระพุทธเจ้าก็แล้วกันแต่ได้ไปกราบไปบอกพระเจ้าปัะเสณิฐเลยมหาบพิษมีพระองค์หนึ่งอยู่นั่นแนหะจะทําให้ศาสนาเสียนะเสื่อมนั่นแนหะพระพุทธองค์ประกาศพระศาสนาเกิดประโยชนต์ต่อต่อพุทธศาสานาต่อพี่น้องประชาชนอย่างมากแต่มีพระองค์หนึ่งนะมีผู้หญิงเดินตามหลังหญิงสาวอีกนะเดินตามหลังมันน่าเกลียดนะทําไม อยู่ในกุฏิก็อยู่ด้วยการอีกต่างหาทําไมพญาปเสนได้ยินเท่านั้นละ่ะพญาปเสนเนี่ยให้เป็นยังเป็นปุ้ตุชนเต็มร้อ ย, เ, ยเพราะท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตท่านก็อยู่ที่ไหนองค์ไหนอยู่กุฏิหลังนั้นละ่ะท่านก็เตรียมทหารไปเลยเตทหารตำรวจจัดติบาลพร้อมเลยเต็มพอไปสังเกตยอยู่ห่างๆ ก, ก็เห็นผู้หญิงอยู่ในกุฏิหลังนั้นพร้อมกับพระแต่ได้กาป็ล้อมเลยเต พอล้อมเสร็จแล้วขึ้นไปค้นกุฏิไปค้นปุไม่เห็นพอไม่เห็นกลับมาออกมาอยู่ข้างนอกอีกเอ่อดูอีกสังเกตอีกให้สังทหารมากเก่าอีกขึ้นไปอีกครั้งที่สองอีกไม่เห็นอีกพอขึ้นอีกครั้งที่สามทีนึงก็สังเกตดูอีกเออเอาทึงนั้นแนะพอขึ้นไปครั้งที่สามพระ อ, อนั้นก็บอกว่าอาตอมา มีคนเห็นผู้หญิงเดินตามหลังตลอดอาตมาเองไม่เห็นนยโยมมหาบุพิษเห็นแต่เขาว่าผู้หญิงเดินตามหลังแต่อาตมาก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่อาตมาไม่เห็นอย่างที่มหาบพิษค้นในกุติของอาตมาเนี่ยทั้งไต่ตรงใต้เตียงห้องน้องห้องน้าอะไรค้นหมดเอ <laughs> เพดงเพดานไม่เห็นอาตมาก็ไม่เห็นแต่คนทั้งหลายเห็นพระะพระเจ้าแผ่นดินเออเอา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 ทำชั่วตัวเองยังมาประวรณาอีกต่างหากเอเอ้แต่นี้กับพระองค์ที่ผู้หญิงเดินตามหลังนี่ยก็เหมือนกันติดปีกแลแทีนี้เอ้เพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินให้ท้ายตัวเองบอกว่าเอ้เป็นหน้าที่ของอพระเจ้าแผ่นดินว่าแต่พวกว่าแต่ผู้หญิงเดินตามหลังผมพวกท่านก็เดินเหมือนกันนั่นแหละคล้ายๆพูดจงเดชนะเอ้สูตรทรงเดชแต่นี้ก็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 พวกพระองค์นี้จะเป็นยังไงพระพุทธเจ้าค่ะทำไมท่านพูดอย่างนี้จ่วงจาบอย่างนี้เรื่องมันจะไม่สงบนะพระองค์ก็เรียกมาประชุมเรียกพระองค์นั้นมาประชุ ม, มพร้อมๆกับพระสงฆ์กลุ่มใหญ่เลยพระองค์ก็เป็นประธานบอกว่าพวกเธอทั้งหลายเห็นไหมผู้หญิงเดินตามหลังพระองค์นี้เห็นพระเจ้าค่ะเห็นกับตาเลยแหละแต่นี้ก็ถามพระองค์นั้นเน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 เธอเป็นบาปกรรมมาแล้วยังไม่เข็ดอยู่เหรออันนี้คือบาปกรรมในนะออดีตที่ผ่านมาของเธอนะเธอจําได้ไหมเ อ, อเธอจังจะทําสร้างบาปกรรมต่อไปอีกใช่ไหมพระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้ยินอย่างนั้นครสมัยไหนพระพุทธเจ้าขา่าที่พระองค์นี้ทํากรรมชั่วจึงมีบาปกรรมอย่างนี้ติดติดมาพระเถรองบอกว่าสมัยก่อนหน้านี้พระพุทธเจ้ากัตปะ กัจจปศิลิสัมปันโนอุบัติขึ้นในโลกจากนั้นอายุของท่านพระพุทธเจ้ากัจจปะอายุยืนสองหมืนปีแล้วก็มีพระสององค์ที่เป็นเพื่อนกันไปที่ไหนเห็นองค์หนึ่งก็เห็นองค์หนึ่งรักเหมือนกับพี่น้องๆยิ่งกว่าพี่น้องเสอีกไปที่ไหนรักเคารพกันถืออาวุโสพันเตองค์หนึ่งไปเห็นกับองค์หนึ่งกับบนนิบัติองค์ที่มีอายุพรรษามากกว่าแต่วันหนึ่ง พระสององค์นี่ไปลงอุโบสถวัดอื่นใครับว่าไปลงอุโบสถกลุ่มใหญ่พอเดินไปด้วยกันสององค์พอไปแล้วไปไปหยุดไปถึงไปถึงครึ่งทางไปถึงครึ่งทางองค์หนึ่งเขบอกโอ้ผมขอเข้าป่าซะก่อนนะเขคงจะไปปล่อยทุกข์น่ะคงจะไปปล่อยทุกข์ในป่าให้องค์นี้ก็ยืนคอย อ, องค์นี้ก็ยืนคอยพอยืนคอยเสร็จแล้ว เทวดาอยู่บนสวรรคนะ์เอ๊ะทำไมพระองค์นี้มันสององค์ทำไมมัน เ, เป็นสนิดกันเหลือเกินไปที่ไหนเห็นองค์ไหนก็เห็นองค์หนึ่งเห็นองค์หนึ่งเราจะแยกให้พระสององค์ทะเลาะกันดูบ้างนะเทวดาคิดสนุกขึ้นมานะไม่คิดว่ามันจะบาปนะจากนั้นเทวดาก็ลงมาจากสวรรค์ลงมาก็เห็นพระองค์นั้นองค์นั้นก็ไปถ่ายทุกออกมา พอเดินออกมาแล้วก็เท ว, วดานี่กิดนิรมิตตัวเองเป็นผู้หญิงเห็นเดินตามหลังพระองค์นั้นออกมาพอเดินตามหลังเเผวนะก็เเผาผมอะไรกระจุยกระจายทําท่าทั้งนุ่งหมทั้งจะนุ่งผ้าสิ้นของตัวเองบ้างทําเหมือนกับมีอะไรผ่านมาแล้วนะพระองค์นี่นก็ยืนดูยืนเห็นพอเดินออกมาองค์นี้โอ้ท่านทําไมท่านทําอย่างนี้ท่านเป็นปาราชิกแต่ น, นั่นนี่ทํา โทษอย่างหนักแล้วนเนี่ยองค์นี้วัดไม่ใช่ผมไม่มีอะไรนะไม่มียังไงผู้หญิงเดินตามหลังท่านออกมาเนี่ยเออเทนีก็ภานี่ไม่ใช่ไม่ไม่มีผมไม่มีอะไรมีพอได้ส่งกับพระสององค์แล้วก็เดินทะเลาะกันจนมาลงอุโบสถพอมาลงอุโบสถเนี่ยองค์ที่นั้นก็โจทย์ขึ้นกลางกลางคณะสงฆ์เลยนี่พระองค์เนี้ยเออที่มาด้วยกันเนี่ยทําไม่ดีไม่ร้าย ผมเห็นกับตาเลยเป็นปาราชิกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นฮะองค์ที่องค์นั้นก็บอกผมไม่ได้เป็นไม่มีผลในสุดเท ว, วดาร้อนอกร้อนใจโอ้โหมันจะแตกกลางวงเต็มเพราะว่าพระสงฆ์จะแยกแตกสมัมภคีกันในวันอุโบสถ <c oughs> เท ว, วดากับนิริมิตออกมาอ่าพระคุณท่านเออไม่ใช่องค์นั้นทําผิดฉันคิดสนุกเองเราผมคิดสนุกเองแล้วกันิรมิตมาเป็นผู้หญิงตามหลังท่าน องค์ น, นี้ไม่ใช่ท่านไม่ได้ทําอะไรเป็นเป็นผมเองผมนิรมิตรเองก็ <_ S 1> ถึงเท ว, วดาจะจะมาแสดงถึงขนาดนั้นก็เถอะพระองค์นี้ก็ไม่สนิทใหญ่องค์ที่เห็นเห็นเหตุการณ์เอไม่ร่วมมัวโสดสังกกรรมกับพระองค์นั้นตลอดไปไม่เชื่อกระทั่งเทวดาอีกต่างหาก <_ S 1> พอในสุดนั่นเท ว, วดาลงคนนั้นก็ออกจากสวรรค์แล้วลงอเวจีมหานรก อ่าเหมือนกับเศรษฐีตกทุกข์อย่างนั้นอ่ะเศรษฐีจะเข้าคุกอย่างนั้นอ่ะอย่างพวกเราท่านทลายได้ยินน่ยว่าทุกข์ขนาดไหนสินี้่อจากนั้นก็ไปตกนรกพรตกนรกนานพอสมควรจากนั้นก็พ้นจากนรกขึ้นมามาเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราพระโคตรธรของเราจากนั้นก็ได้บวชในพุทธศาสนาบาปกรรมตัว น, นั้นหละ่ะยังติดตามวิญญาณของท่านองค์นี้อยู่บาปจะไง บาปที่ท่านได้นิรมิตร เ, เป็นผู้หญิงตามพระองค์นั้นผลี่สุดเนี่ยพระองค์นี้ก็เลยมีผู้หญิงตามติดตามอยู่ตลอดพระองค์บอกว่าตอนนี้ไปนะเธออย่าพูดเธอเป็นผู้นิ่งที่ดีกว่าเธออย่าพูดจากนั้นพระองค์นั้นท่านก็เลยสงบปากสงบคําแล้วก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจากนั้นท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์นะในตําราในพระไตรปิฎกท่านพูดเอาไว้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 อันนี้ก็ฟังไว้นะฟังไว้เนี่ยแต่อย่าเพิ่งเชื่อหลวงพ่ออินใ ห, ให้ฟังเอาไว้ถ้าหลวงพ่ออินไม่บอกไม่กล่าวพวกเราอาจจะถล่มทำกรรมชั่วไปเรื่อยแต่ถ้าพวกเราฟังแล้วด้วยเหตุด้วยผลแล้วให้พวกท่านทั้งหลายปฏิบัติอย่าพูดในสิ่งที่มันจะล่อแหลมตอกต่อบาปกรรมแต่ถ้าหากว่าองค์ไหนทาผิด จ, จริงพวกเราก็จัดการตามหลักพระธรรมวินัย เอออันนั้นเป็นบุญกุศลสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายอีกต่างหาเพราะกระจัดพระชั่วออกจากวงการพระพุทธศาสนาแต่ถ้าว่าแนวความคิดเห็นแปลกธรรมดานานาจิตต่างนาณาทัศนานั้นพวกเราต้องฟังต้องฟังแนวความคิดเห็นของท่านนี่ยแหละขอฝากไว้กับคณะสัตธาญาติโยมลูกหลานทุกคนตั้งแต่เหนือโจทใต้ที่มาในงานของหลวงพ่อจิรวัฒน์ของพวกเรานี่มาจากภาคกลางภาคใต้ภาคต่งตางๆ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 ท่านก็ทําวิชาอาชีพของท่านเราไม่ได้ปลาหมาท่านท่านทําสวนยางท่านก็ได้เงินทําำราชการท่านก็ได้เงินแต่เลวิชาอาชีพท่านก็ได้เงินแต่หลวงปู่มั่นของเราท่านสอนวิชาอีกวิชาหนึ่งที่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาหลวงปู่มั่นของเราสอนวิธีการภาวนาท่านในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่าน ไปนั่งภ า, าวนาอยู่ที่โคลนต้นโพวันเดือนหกเพนนนั้นอนะ่ะที่ท่านได้ตัดสู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนนนั้นท่านนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้าหันพระพักไปทางทิศตะวันออกจากนั้นกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกจากนั้นพระไทยพระใจไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดญาณรัตนะเกิดฌานลำลึกชาติผลหลังได้อันนี้คือแนวทางของพระพุทธเจ้าแต่หลวงปู่มั่นของพวกเราที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายของเราที่เป็นต้นตระกูลของพวกเราหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาจากนั้นท่านก็สอน หลวงตามหาบัวหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟันหลวงปู่สุวัตหลวงปู่ล่าหลวงปู่สิงห์ทองหลวงปู่ชาหลวงพ่อพุธที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงปู่มั่นมีมากหลากหลายหลายองค์แต่ต่างองค์ก็ต่างยอมรับว่าหลวงปู่มั่นท่านสอนให้ภาวนาพุทโธเรื่องสมถะสมถะคือทําจิตใจให้สงบนี้ให้ภาวนาพุทโธวิธีการทํำแต่หลวงพ่อก็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 ไหว้กาพุทธโธธรมโมสังโฆแล้วก็แถมท้ายว่านิพพานังเข้าพาเจ้ากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หวังพระนิพพานเพื่อพ้นทุกเ อ, อเราเกลียดทุกเหลือเกินเกิดแก่เจ็บตายในะเราเกลียดเพราะนั้นพ้นทุก์ในวัตฏฏสงสารไม่ขอมาเวียนไหว้ตายเกิดอีกยกว่าพุทธโธธรรมโมสังโฆนิพพานังจากนั้นก็阿拉หังสัมมาสัมพุทธโธกราสวาคาโต พระขาวตาธมโมกา่าสุปฏิพโนพระขาวโตวสาวกัสังโกกระจา ก, กันนันกับโมตัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจากนั้นกัพุทธังธรรมังสังขังสรานังคัดฉามิยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงเป็นสถานะเป็นที่พึ่งดุติยามปิพุทธังธรรมังสังขังสรานังคัดฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นสารณะเป็นที่พึ่งสามครั้งสาธารณะขจามิข้ า, า, าพเจ้าขอยึดพระสงฆ์เป็นสาวกสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งยืนยันถึงสามครั้งตุติตาติยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งถ้าสวดมากกว่านั้นได้ก็ดีจะสวดอันไหนหยอดพกกระกันบ้างหรือทำวัด อ, อ, อดีตอนัตรรมาจากอะไรก็ได้สวดเป็นรุ่นแล้วจะเป็นมงคลมหามงคลทั้งนั้น แต่ถ้าหากว่าสวดไม่ได้ได้แต่พระโมตสักพุทธทางธรรมังสังขัง เ, เท่านี้ก็พอแต่ว่าต้องไหวทุกวันอย่าได้ขาดจากนั้นก็ปนมมือขึ้นระหว่างอกแล้วก็นั่งนึกในใจนั่งนึกในใจตั้งใจให้แน่วแน่แล้วก็แผ่เมตตาข้าพระเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพระเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตวอื่นวิญญาณอื่น ขวดไรโล ก, โกธาตุขอให้มีความสุขอย่างข้าพเจ้าต้องการอย่างข้าพเจ้าปรารถนาด้วยเทออินนึกในใจจากนั้นเราก็กราบประรถนเราแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลจากนั้นก็นั่งภาวนาขาขวาทับขาซ้ายพ่อขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นั่งปนมมือซะก่อนนึกในใจพุทธโธธรมโมสังโฆพุทธโธธรมโมสังโฆพุทธโธธรมโมสังโฆสามจบ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 มาบอกกล่าวมาแนะนำมาสั่งสอนพวกเราเราจึงรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรในเมื่อเร า, เาลําลึกถึงพุทธโธธรรมโม ส, รสร็จแล้วเอามือลงเอามือลงจากนั้นก็กาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพทหายใจออกโทนี่แหละให้สังเกตดูว่าพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสู้วันเดือนหกเพนนนั้นท่านกาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า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 แต่หลวงปู่มั่นของเราใช้สองคือใช้อานาปานสติด้วยและบริกรรมพุทโธด้วยนี่แหละใช้สองออย่างควบกันนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนำสั่งสอนลูกศิษย์จากนั้นลูกศิษย์ทั้งหลายหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายท่านก็นำทำคําสอนหลวงปู่มั่นมาบอกมาสอนพวกเราเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายคณะทาญาิโยมทั้งหลายเวลานั่งภาวนา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 เมื่อจิตใ จ, จรวมสงบลงเป็นหนึ่งจะเห็นได้ชัดเลยทีนี้กายกับใจใจกับกายกร่างกายเนี่เป็นอันหนึ่งใจนั้นเป็นอันหนึ่งนามธรรมกับรูปธรรมหรลวงพ่อเปรียบเทียบ ว, ว่าร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถแต่มันอาศัยมันอยู่ด้วยกันคนขับรถกับรถรถคันนี้จะไปได้ก็ต้องอาศัยโซเฟอรอ์จึงจะขับไปได้เพราะนั้น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 อย่างพระองค์ที่่ทีผู้หญิงตามหลังก็เหมือนกันท่านไปทํากรรมอันไหนไว้พวกเราก็รู้อยู่แล้ว น, ะนี่แหละกรรมตอนนั้นจะตามเพราะฉนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าอักขตังลุกตังเส้โยปัชชาตปฏิลุ ก, กตั ง, ยยตต ก, ตงกรรมชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วจะทําให้พวกท่านเดือดร้อนเมื่อภายหลังจิตวิญญาณของพวกท่านเกิดในภพใดชาติใดวิญญาณของท่านจะเดือดร้อนเกิดมาภบหน้าชาติหน้า อย่างพวกเราไปหาเรื่องใส่คนอื่นเขาเกิดมาพบนายชันหน้ า, า, นาไม่มีเรื่องมีแล้วเขาก็หาเรื่องใส่ตวเองอย่างผู้พระองค์นั้นกับผู้หญิงที่ไปหาเรื่องใส่พระให้ทะเลาะกันนี่แหละเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายกรรมชั่วจริงไหนก็ตามอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายลิคิดพูดทำกรรมชั่วต่อไปภายภาคหน้าน่นหละพวกเราจะได้รับ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 พอมาเจอกับตัวเองเข้าเท่านั้นแหละไม่สบายอย่างหนักเท่านั้นแหละคราวนี่เป็นมะเร็งเท่านั้นแหละเรามีความรู้สึกอย่างไรใจของเราเนี่ยเออมันตั้งตัวไม่ติดเลยเพราะเหตุไรมันค่อยสะดุ้งขึ้นมาแต่เมื่อเห็นคนอื่นไม่เป็นไรแต่พอมาใกล้เข้ามารู้สึกแต่พอมาเจอกับตัวเองเข้าไปแล้วนั่นหละเป็นทุกอย่างมากเพราะนั้นใจต้องดูนะ ร่างกาย อ, กอีกสักวันหนึ่งนะต้องแตกต้องสลายต้องตายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นนะใจนะเนี่ถามโซเฟอร์ให้ถามโซเฟอร์นะรถคันนี้นะเนี่อีกไม่นานนะจะต้องพังนะจะต้องไปอยู่ในพงหญ้านะจะต้องเป็นเศษเหลือกนะจะต้องสนิมกินผูกไปบดนะโซเฟอร์นะเรานะเราเตรียมเงินไว้แล้อย่างเตรียมทุนไว้แล้อย่างเรามีทุนพอที่จะซื้อรถคันใหม่หรือยังเฮ้โซเฟอร์อันนี้แหละ เป็นหน้าที่ของเราจะเตือนเตือนเราแล้วในที่นี้นี่แหละให้เตือนเราเราเตือนเราโซเฟอร์เตือนโซเฟอร์อย่าลุ่มหลงอีกสักวันหนึ่งนะรถคันนี้ต้องทิ้งแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่ตายแล้วไม่ศูนย์นะปัญญาณจะออกจากร่างนะเราจะมีบุญกุศลเพียงพอหรือยังถ้าเราไม่มีบุญกุศลอย่าไปนอนใจอย่าไปช้าลาใจอย่าเป็นให้ความเออ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 มาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติจากนั้นท่านได้ท่านก็ได้ตัดทรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะนั้นขอให้พวกราทฎรญาติโยมลูกหลานพวกเราพวกเราทุกคนเนอะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นการที่อยู่ด้วยกันให้มีความพร้อมเพียงสมคัครีแล้วก็ยกตัวอย่างเรื่องหลักธรรมวินยัยทำคํำสอนของพระพุทธเจา้านานาจิตต่างนานาทัศนะ แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ไหนท่านจะหยิบยื่นท่านจะยกขึ้นมาอธิบายให้กับพวกเราฟังเหมือนกับวิชาอาชีพการธรรมมาหาเลี้ยงชีพการทรมาค้าขายไม่เหมือนกันจากท่านก็ท่างที่ท่านเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันความแตกต่างกันก็ยังมีในองค์ท่านเพราะนานาติตตานานาทัศนะเพราะว่าการเกิดของพระอรหันเหล่านั้นไม่ใช่เป็นกษัตริย์ทั้งหมด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 เมื่อเราได้พบพบพระศาสนาได้พบพรมคําสอนของผู้เผยพระเจ้าแล้วตั้งตนไว้ชอบเนี่ยว่าปฏิโูประเทสวาโซจะปุกเพจักะตะปุญยตาอัตตะัมมาปณิธิให้พวกเราตั้งตนไว้ชอบถ้าพวกเราตั้งตนไว้ชอบแล้วพวกเราจะมีแต่ความสุขความเจริญแต่ทางทางโลกและทางธรรมเพรานการกล่าวซัมโมธนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลา